ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่71อโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่71ให้คติธรรมว่าผ้าหูหนังบันทิโตชีเว บันฑดตย่อมอุเทศตนเพื่อหมู่ชนอันนี้คือในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นบันดิตจะไม่เอารัดเอาเปรียบต่อฝูงชนที่เขาด้อยกว่าออหรือบุคคลกลุ่มใดก็ตามที่จะเหนือกว่ายุลระดับไหนก็ตามเราเป็นคนหนึ่ง ที่ผู้ที่ว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้รอบรู้ในเรื่องต่างๆในเรื่องศีลสมาธิปัญญารอบรู้ในวิชาอาชีพออรอบรู้ที่สิ่งที่ตนเองรู้ก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบคนที่เขาไม่รู้ถ้าว่าเป็นพาละชนเขาคนนั้นจะไม่เลือกเว้นกับใครทั้งหมดพอที่จะได้ เอาเปรียบนิดๆหน่อยๆก็จะเอาเปรียบเขาไปทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเขาเป็นภาลชนแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วจ้อมรู้ว่าอันไหนควรและไม่ควรอย่างไรเราไม่เอาเปรียบเขาแล้วเขาก็ควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์เคาะเขาอีกต่างหากเพราะนั้นเราถึงจะไม่ ถึงขนาดนั้นเราก็ควรจะเป็นฝึกหัดเป็นบัณฑิตรักออทิตตนเพื่อหมู่ชนการอุทิตตนเพื่อหมู่ชนเราตนเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้ผู้อยู่รอบด้านของเราใกล้เราเดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราอุทิตตนขอด่าไปหมดเพื่อไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่น จนใครๆเห็นหน้าเขามาอยากจะสู้หน้ากับเราสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องคิดทั้งหมดสรุปแล้วก็คือไม่ให้ตนเองและไม่ให้คนอื่นผู้ไม่ให้ภู้มาเกี่ยวข้อง ใ, ใกล้ชิดหรือว่าผู้ที่รู้จักมักคุ้นกับเราเดือดร้อนไปในแนวความคิดของของตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าให้เป็นขยะ ของชุมชนและสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อพี่น้องประชาชนพวกหมู่เหล่าต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของพวกเราทุกๆท่านเพราะนั้นด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไรคุณพระพุทธรตรแ้วพระธรรมพระสงฆ์คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอดีตถึงปัจจุบันขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเทิน